อย่าคิดหาคำตอบลอยๆแต่ต้องอ้างอิงจากสสปัิสัจปุบันได้ด้วยถึงจุดหนึ่งที่สังเกตไปเรื่อยหลายร้อยหลายพันหนนคุณจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาชั่วขณะว่าความอึดอัดกระสับกระสายนี้เป็นเรื่องของกายใจกับสถานที่พอเอาสถานที่หนึ่งหนึ่งมาห่อหุ้มกายใจกายใจก็เกิดปฏิกิริยาแบบนั้นๆขึ้นมา